เลยอ้าวอันนี้ดูเรานะดูตัวเรารู้เราแล้วก็จะรู้เขาด้วยอันนี้เรารู้เราซะก่อนวันนี้จะเกิดเหตุอะไรกี่โมงวันนี้กี่ข้ามก่อนอ่ะบาทิตยก่อนวันอันนี้อาทิตย์เนี่ยเรียกว่าวันอาทิตยก็คือข้ามอ้าวข้ามกี่ข้ามเก้าข้ามแปดข้าแปดข้ามแปดข้ามข้ามวันอาทิตย์แปดข้ามเดือนสีอ่าปีอะไรปีว่าพุทธศักราชเท่าไหร่ ใส่ไวเลยห้าหนึ่งเอา1้าห้าหน่นะเอาไปไม่ต้องลบเอาไว้ยังรู้ตอนนี้ตั้งภูมิตั้งภูมิดีผีก่อนอ้าวตั้งภูมิเแล้วค่อยเอาเวลาด้วยไหมแน่นอนเวลาเปไปตรงย้ำย่อยไงเวลาเท่าไหร่กี่โมงดูในกาแ8ดโมงยี่เแปดมงยี่เอ็รไม่รู้ว่าเรื่องอะไรละมง่สบเอ็ดจอ่าจุดองเ็ดวินาทีอ่านเขียนไก่อนตั้งภูมิไปก่อน ขึ้นหนึ่งสี่สองเจ็ดห้าสามแปดตอนเช้าเนี่ยอเอาละเอาไงต่อจอนเนี่ยเอาแบบยงเกียร์นะเอาแบบยงเกียว์เลยนะยำใหญ่อ่าไปสามตัวเนี่ยนะอ่ายำใหญ่สายไปก่อนไม่ได้มารู้เรื่องเอาบริวารอยู่ตรงไหนก่อนบริวารอันนี้เลขอะไรก่อนเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาเอาแล้วนี่ยำย่อยเหรอไหมอ่าสายทําไปก่อนอ่าตอนนี้เอาละ อันนี้เป็น9ก้าข้าเก้าตกเลขอะไรหรือวานตกเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งพิริรอะไรก่อนทิจารเล็หนึ่งเนี้ยิรวนออกอ่าเกอ่ตกเล็กึาออกจากว้นะออกอ่าออกงจเกี่ยวกับเรื่องของกครเรหนึ่งก่อนจะไม่ต้องปเรื่องอื่นผู้นำผู้นาของที่นี่คือใครเจ้าวา่าเกี่ะออันหนึ่ง่นะอธิบายก่อนอ่ะเอากันก่อนละอันหนึ่งใน ย้ำใหญ่ก็และเรื่องนี้วันนี้เนี่ยใหญ่ๆคือเรื่องเจ้าว่นในยามวันใช่ไหมในยามติถีหรือยามวันยามเป็นดีถีดียามวันไม่เกี่ยวเลยนี่มันติถีมันกจ้าวันเบินอะไรยามติถีเราเขียนอย่างงี้ถูกไหมในยามติถีนะเอดอยามวันไม่มีเออ่าในยามติหนึ่งในยามติถีเกี่ยวกับผู้นำหมายหมายความว่าเลยนะเออหมายความว่าหวั่นว่าว่าอะไรกระชากแมงเน่ย ไม่ไปสนใจอะแต่ที่แน่ๆเนี่ยอ่านนั้นเนี่ยคือตัวหลักละไอโซน่าตัวอธิบายละเนี่ยไอดีทีเนี่ยตัวหลักแล้วต่อมาย้ําใหญ่ย้ําใหญ่นะเรื่องที่เกิดใช่ไหมเพรว่าเกี่ยวกับใครใช่ไหมเรื่องที่เกิดเกี่ยวกับใครอแต่นี้เรามาดูดิว่าไอเลขที่ย้ําไอดีทีเนี่ยเป็นเลขอะไรผู้นำนะครับผู้นําเลขอะไรอะไรนะเลขหเลขหนึ่งใช่ไหมล่ะครับ เลขหนึ่งคือผู้นำผู้นำของวัดคือสมพานของวัดอแสดงว่าเรื่องนี้จะไม่เรื่องสมพานละเรื่องใหญ่ละถ้าเราไปลูกวัดก็ถากับสมพานแน่นอนอแน่นอนละเนี่ยหรือไม่ก็สมพานเรียพบหรือมาดูเวลายามใหญ่ยำใหญ่นเวลานี้มันตกเลขอะไรอ้าวศูนาจังแม่อธิบายละนอนอะไรนะไปละอะไรนะไปอธิบายต่อไล่ไปยังไงละศูนย์แปดนี้มันอยู่ในหก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนยามใหเลขอะไรเลขห้าบริวาคนที่โทรมาเนี่เป็นใครพะไม่รู้เพาะว่าไป็นนี่พะเนี่ยตอนี้อาต่อพีตอนนี้เลข5เนี่ยมันเป็นอะไรเพราะอนนี้แหละอันนี้บริวารอายุเดชสีพุราอุศาหะนี่แม่ในยามทิหมายต่อไปอีกครับาย้อมต่อตัวต่อรก็ไปยามย่อยใช่ไหมยามย่ะยยามย่อยก็เป็นบรอะไรมงย่ิบเออน่ อ่าเป็นอีกห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเรียกเกี่ยวเงินด้วยอ่าการสะสมเงินอ่าอ่าเนียอันนี้หกมันเป็นอะไรหกในยมตัางสาวเลยตั้งสาวอาอาางสาวยำเอายำย่อยก่อนจับคู่พีย่อยเน่ยหกไหกมันเป็นอะไรของไสี่สองส่องของหเจสามแปดหนึ่งแล้วเขียนบริวารอายุเดชศี คุณภูมเนะคุณดูที่เลขของคุณในยามย่อยมันเป็นอะไรเป็นบริวารเป็นน้ำเป็นอะไรของไอยาใหญ่ไอ้เป็นของไอ้ยามวันดีได้ดีทไม่ใช่เกลี้ยงยามวันอยเยเป็นอายุตั้งเนี่ยบริวารอุษีเนี่ยจะเห็นตั้งตรงนี้ได้ไหมได้บริวารอายุเมูละสหถามว่า ไอ้หกทิศุณว่าน่ะมันอยู่ตำแหน่งไหนของติถีเป็นมวยวานอนดุเรสีเป็นอะไรตันี้โอเคไเยอาเดี๋ยวอาจารย์เอาอ๋อจ้ะเอาเหมือนกันแน่เหมือนกันแน่ไล่ไปเถอะเดี๋ยวจะรู้หนึ่งหกสี่สอง็ไล่ไปเลยหนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้ามแปดสามสมที่ห้าล้วเอะไาดูเ่อยสามไปหกเนเเป็นห้าห้าสามแปดหนึ่ง สี่สองเจ็ดแปดล้นี้เป็นบริวารหกวงเป็นอะไรของสี่อบเลยนบริวารหกเป็นอ้าวแล้วนี้หกหกในดิทีเป็นอายุเป็นอายุปัจจุบันเนี่ยตั้หาตอนนี้เขาเขาเขาเขาเห็นไหมว่าเขาตัหานหาหกเป็นอายุมันจะเอาอย่างเดียวใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วไอ เล่หนึของดีผีนมันเป็นบริวานกับเพื่อนของเอเจะเอาวาดเองนั่นเองเขาเป็นบริวารแล้วก็พอตั้งเสาหกเป็นบริวารหกสี่สองหกสี่สองเจ็ด้าสามแปดหนึ่งขาดสามแปดหนึ่งขาดนี่ไงเมาเมืเนี่ยนั้นเนี่ยคนนี้เขามึนนั้นเนี่ยฮะมึนนี่ไงคน เมื่อพิเรียนไปแล้วในพิสั้งขยายความสัมมาพุทธมณฑลามแถวอ่ะก็ทัแบบเดียวอ่ะทำเนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ยบริวารน่บริวารเนี่ยห้าแล้วก็6ดูกี่ต่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ได้เนี่ยอแบบเปรียบเทียบตัวเนี่ย แล้วอายุอายุของเขาปัจจุบันในตอนนี้อายุปัจจุบันตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องกิเลสเรื่องกิเลสไอ้ตัวเนี้ยพราะเราดูดูจะบังแับเรื่องสื่อสารที่เขาพูดออกมาในสื่อสารเแล้วตอนนี้ปัจจุบันอายุที่บอกให้ดูอายุปัจจุบันในตัวเนี้ยตอนนี้เขาทุกจริงๆเขาทุกือเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายหรือเรื่องเรื่องความร้อนของเขาหรือเรื่องเรื่องรถ รู้เรื่องอะไรเนี่ยรถไม่ใช่รถกฎหมายไอ้เนี่ยมีปัญหาเรื่องกฎหมายก็แสดงว่าเรถมันเองมีปัญหากฎหมายอยู่แล้วแล้วเนี่ยตอนเนี้ยของเขาจริงๆริงเขามีเรื่องกฎหมายอะไรอยู่อแล้วมินเนี่ยตอนเนี้ยงงนะเนี่ยเวลาเนี่ยเขางงงงเขาพูดอะไรได้เขาพูดอะไรออกไปมั่งทั้งงงตัวเองเหรอเขางงเพราะว่ามันได้ค่าแต่นะที่โดนบังไอนะ ค่าขมุนได้เนี่ยเขากุ้มอยู่ด้วยนะเนี่ยเจ็ดกุ้มหนักด้วยไอ้ดาวเจ็ดเขาอยู่ที่เป็นจิตตังเนี่ยเขากุ้มเลยตอนเนี้ยเขากุ้มณเวลานั้นกุ้มใจที่อยู่อาศัยอ่าอ่าอเนี่ยเนี่ยกุ้มกุ้มเนี่ยกุ้มเลยเพ้นตอนนี้ก็โทรมาอ่ะก็รู้อยู่แล้ววันนี้เ้าเพิ่งมารู้แล้วดีดีวันเนี้ยเจ้าลุงถามเพื่อนของเจ้าว่าอะไพกฎหมายเนี่ยแล้วอธิบาย จะละทุกคนมาเพ่อนคนที่ผู้สาวคุณแจมมาหน่อยเพื่อนคนที่ผึกษาวจะเอาว่าจอความสิ้หายง่าเราไม่ได้วันกฎหมายแต่ว่ามันเป็นเรารู้ไหวันนี้จะเกิดอะไรที่ดูตัวเองอ่ะไปทาอะไรเขาไว้มั่งไรกฎหมายเส้นมู่มากแล้วก็แทกงตกตกผี้ไหนเราพูดอยู่ที่วังจบลงด้วยการสื่อสารใช่มคแล้วนี้ไปดูคลิปที่มันอยู่ในทูตต่างๆ่ะ ยามใหญ่เป็นเดชอะยามใหญ่เป็นเดชแล้วยามอุตสาหะยามย่อยจรเป็นอุตสาหะยามย่อยเป็นเป็นอายุอายุนห็นไงวะนั่นนะเพราะนั้นมันจะยืนยันอย่างอุสาหะเบียนจะยืนยันคำกล่าอตลอดไงเบียนโตอะไม่ว่าล่ะตอนนี้ดูทุกครั้งนี่เป็นไงทุกครั้งเป็นดาววังคาันดายวงคันแสดงว่ามันไป อ, ใใอังคารนี่นในดิถีนี่เป็นมนตรีในดิถีเป็นมนตรีในยามใหญ่เป็นอายุในยามย่อยเป็นอุตสาหะแสดงว่าตอนนี้มันจะกลายเป็นซ้ำเอกแอทกอีตินมนตรีว่า อ, นะอิติปน์น่ะ อยู่ในช่วงเนี่ย uh huh. มามองหน้าหนักมก็บอกไปแล้วอลีมาหนานาเนี่ยลารูมีอำนาจที่สุ uh huh. เนี่ยลาหู้นมานก ว, าตวตัวเองได้แล้วว่าวันนี้กี่รับงูจะรวยหรือจะดีไม่งั้นมันก็ได้วรู้เรารู้เรารเรา แ, แล้วเรา้เขาเนี uh ่ย huh. มันก็บอกไปแล้วอ่ะตอี่อ่ะตอนน่ uh huh. ตอ ตออที่อธิบายต่อทเนี่ย อ, อ่ะมีอะไรอีกอ่ะจะถามอะไรอีกอธิบายในลูกว<า>ัวเนี่ยแล้วแล้วอาทิตย์เนี่ยอยู่อาหารหันต์ังเนี่ยอ่ะไม่ต้องไปคิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเทกว่าจเจ้าวาดทิศนอไม่เอาด้วยในสนใจเลยเออเรื่องนีว้ว่าวาดไม่เอาด้วยกบ่าดแี่บอกคุณเมืม่อเรามาวัดภูดต่อไปนั่นแหละมันจบแบบนั้นไงอืมสัตว์สมบูรณเอาไ ไม่ไม่สนใจอยู่แล้วกูไม่สนอ่ะทั้งนัี่มันน้าจะสนอ่ะการกูไม่สนทั้งนั้นบม่ไปไปวานเขาน้าไปเพื่อนเขาหน้าแต่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็เพราะว่าไอ้หนึ่งมันเป็นอาหารตามนี่ดูตามเวลาเป๊ะเลยนะเนี่ยแล้วก็มาแชร์ดูอย่างนี้เพื่อเทียบอธิบายทุกตัวความสัมพันธ์กาวให้เขาเข้าใจเพื่อที่จะต่อไปข้างหน้าเขาจะได้ดูตัวเองทุกเช้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาและตอนนี้อันนี้เป็นนโยบายเดียว แไปต่อไปก็จะได้ขยายความไปทุกอย่างทุกอย่างเพื่อจะได้ไม่ประมาทกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกตัวเขาในภายภางหน้าว่าแต่ละวันจะเกิดอะไรทําบไม่ไปในจินประจําไปชีวิตก็ได้ว่าวันนี้กูจะเจอหนี่นี่เจอนี้อี่หนี้จะมาหากูที่นี่จมาเปิดชั้นแรกแค่ว่าอะไรเงี้ยเราก็รู้อยู่ก่อนแล้วเหมือนั้นเนี่ยถ้าดูไว้แต่ประวัติเราก็จะรู้ว่าถ้าเวลาเนี้ยจะมีคนประมาทใช่ไหมว่านีอย่างที่ผมพูดกับท่นก่อนแล้วสิดไปที่อที่มันห้านี่เท่านั้นเนี่ยมาเลยโทรศัพทเข้ามาน แตไอ้กุญแจเลยนะเมือนกับผู้กพิเศษอ่ะกุบารุมีปั๊บสันทุบอุ่บารุมีปึ๊บเลยใด้บ้าละน่ะเอาต่อรี่อธิบายแต่ละดาวว่ะครับว่าความหมายมันแต่อย่าอธิบายเพื่อให้เข้ากับเหตุการณ์แต่อธิบายด้วยหลักวิชาการหน้าที่และความหมายและเดี๋ยวเรามารวมสรุปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเดียวกันเพราะเราเริ่มต้นที่อะไรเริ่มต้นที่ดีทีดีทีคืออาทิตย์ใช่ไหมเล่าอาทิตย์คือ เจ้าวาดเจ้าวาดผู้นำตอนนี้มันอยู่ที่จุดไหนอาทิตย์อยู่บริวารก็คือเพื่อนฝูงหรือลูกน้องของเจ้าวาดเจาาดนะาตรงตัวละเอาอันหนึงเาว่าไว้ก่อนเขียนไว้ก่อน น, อนีงไม่ตรงสนใจสมมติว่าเราเหตุการณ์ยังไม่เกิดนะแล้วสิแล้วก็ไล่ไปย้ำใหญ่ย้ำใหญ่ได้ก็เลยอะไรเด็กข้ามั่งเด็กข้าอันเด็กข้าคนนี้จะเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นพระเอาเอาไว้ก่อนละอืเนี่ยอ้าวย้ําย่อยเลขหกสรรหา หกไปว่าตันหาที่เลยเอาเขาไปดูจริตสิอ่าใช่ราคาเนั้ยนะราคาจริตเอ่านี่ดีไห่นะมันไม่ดีอ่าตันหาราคาแล้วดูจริตแล้วตอนนี้หกไปอยู่ที่อะไรแกก็ไปดูแล้วหกคนวิ่งไปอยู่ที่อะไรของไอ่เสาอะจะไปตั้งเสาแล้วเออเสาเป็นอะไรเสาเป็นเป็นดุสิตตังสําเร็จ อ่ะไปเนี่ยไปงานมันก็ไม่เกี่ยวสูงสิทิ์ตั้งไม่ได้เกี่ยวกับสําเร็จอย่างเดียวมันเกี่ยวกับเรื่องมันต้องเอาให้สําเร็จ <before S 1> อ่อาความสําเร็จของวันนั้นอ่ะก็คือเรื่องปัญห า, หาที่มันโผล่มาเนี่ยอ่าเรื่องเรื่องปัจจุบันของเขาเนี่ยต้องเอาให้สําเร็จอืมนั่นไงหือเรื่องพันปัญหาลักปัญหาฟุ้งดูสิทตังไปว่าฟุงฟ้งสูงปัญหาสูงจัด ได้ม่แล้วก็เรื่องเก่าๆของเขามูลักเพราะหกหมูละเองมันมันมามันมากระทบข่าวไม้แกภาพภาไว้ได้ปอกเอาเข้ามาเนี่ยเรื่องเรื่องตันหาเก่าๆโอเคแล้วเนี่ยเขามากระทบย้าหกสามพอดีก็เปรียบเทียบกัน เรื่องเก่าๆของเราก็มีปัญหาเรื่งกฎหมายอ่าเรื่องเก่าของเขามีปัญหาเรื่งกฎหมายใช่ไหมเล่าใช่มาจากอะไรอําคารกับสุกใช่ไหมสุกเป็นมูราชใช่ไหมอ่าแสดงว่าเนี่ยเสยโป้นเข้ามาเรื่องอะไรสักอย่างมีอะไรเก่ยวกับเงิเราย้อนกลับไปได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องเก่าๆที่จะทําให้ได้เงินอ่ะอหกเป็นมูราชในยามยามใหญ่แเราหกเป็นอะไรเป็นบริวารบริวารในยามย่อยอ่ายามย่อยแสดงว่าไปทําอะไรกันมา หรือสัญญากันไว้เกี่ยวกับเรื่องไอที่จะได้จะเสียอะไรกันอีะแล้วเลยมันจะม า, ม า, บ, า, บ, บ, าบังคับเจ้าวาดเหร อ, อ, อใช่<ด>ใช่ท่านเนี่ยคังที่เจ้าวาดไม่รู้เรื่องเลยจะบังคับเอาเลยแต่อิงสัญญาอะไรกันไม่รู้ะ ม, มันบังคับเอาจอีวอ น, นี่ห น, น่อยก็มีที่มันกว้างกว่าก็ไม่ใส่เสือขยุกเออข้าเงเดี่ยมงนี้เนี่ย